เริ่มสัมผัสธรร ม, มะตั้งแต่ยังไม่เกิดของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาแล้วได้สองสามเดือนผู้ใหญ่พาไปวัดแล้ะอุ้มเวลาพ่อแม่ตายายอะไรจะไปฟังเทศนะเอาหลวงพ่อใส่เบาะเล็กๆแต่นะไปวางไว้ข้างธรรมาะเราฟังเทศตั้งแต่ยังฟังภาษาคนไม่ออก ใ, ใจนะมันค่อยๆซึมซับธรร ม, มะไปจนกระทั่งโตขึ้นมานะก็ค่อยมาหักภาวนาเบื้องต้นยังภาวนามไม่เป็นทําได้แต่สมถะ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 ถ้าเห็นอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันถ้าภาวนาต่อไปมีสุติรู้กายรู้ใจต่อไปนะจะเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนเลยนะมีปัญญาเห็นอย่างนะี้หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความรู้ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพทะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายหมดกรรมละปฏิฆะอันนะั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีอยู่ที่ปัญญาล้วนเลย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 แม้ตั้งแต่โสดาสกทาคานาคาพระราารอรหันตุพ่อข้ามสกทาคาพระสกทาคาเนี่ยปัญญาอันเดียวกับพระโสดาคือเห็นว่าตัวเราไม่มีออแต่พระนาคานะเห็นนะรูปทั้งหลายนะกายทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆนพระอราหันต์จะเห็นได้จิตนี้ทุกข์ล้วนๆนในสุดก็ไม่ยึดถือพวกเรายังไม่เห็นพวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าทุกข์ล้วน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 มีใครคิดบ้างว่าเราจะตายวันนี้มีไหมขอย่นโฉมผู้ไม่ประมาทมีไหมไม่มีไม่มีเรายังคิดว่าเรายังไม่ตายวันเนี้ยคือเราเราจะคิดอยู่อย่างนี้ไร้ได้นะไรประมาทอยู่งั้นเป้าหมายแรกนะต้องพัฒนาปัญญาให้เห็นก่อนเป็นพระโสดาให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่จุดที่หนึ่งเลยนะแล้วถัดจากนั้นค่อยไปดูว่าขันห้าเป็นทุกข์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 เวลาเราฟังเราก็ฟังคนอื่นเราไม่ฟังเสียงธรร ม, มะในหัวใจของเราไม่ฟังหรอกเราจะฟังคนอื่นเพราะเราจะสนใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เรารักตัวเองมากที่สุดเลยเมื่อไหร่เราไม่สนใจตัวเองมีร่างกายอยู่แล้วก็ลืมมันไปมีจิตใจอยู่แล้วก็ลืมมันไปนี่แหละเรียกว่าขาดส ต, สตรริสติเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายสติเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจ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 ะเฝ้ารู้อย่างนี้เรื่อยไปนะปัญญามันจะเกิดเห็นว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้มีใครสั่งจิตได้บ้างช่วยสั่งหน่อยซิว่าเอ้าต่อไปนี้เธอจงบรรลุพระอรหันต์เอาสั่งแลวสั่งมันเชื่อไหมมันได้แต่หันไปหันมานะมันไม่เป็นหรอกพระอรหันต์สั่งซิจงมีความสุขอย่างเดียวเอาสั่งเข้าแดดร้อนมีจงมีความสุขความสุขเนี่ยนั่งตากแดดอยู่ตรงเนี้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 เนี่ยเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นเลสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอเมื่อไราจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาลนะเป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไหมเช่นถูกเ้าด่าก็ตัดไม่โกรธมันไม่โกรธมันนะบอกเป็นกลางข่มเอาไว้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 อริยามากเวลาล้างกิเหลนล้ลางตัวไหนแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วล้างทีเดียวสะอาดหมดจดไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว่นค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราได้เป็นพระอริยะอย่าวาดภาพว่าพระอริยะยากเกินไปอย่าวาดภาพว่าพระอริยะอยู่ไกลบา ร, รมีเราน้อยมวัวแต่คิดว่าบา ร, รมีน้อยไม่ภาวนามันก็น้อยไปทุกชาตินั่นแหละนั้นถึงบา ร, รมีน้อยก็ขยันภาวนานะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนะนี่เบื้องต้นให้มีสติคือรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่าให้ลืมตัวเอง ต่อไปก็หายใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นจิตใจมันทํางานได้เองนะี่ขั้นเดินปัญญานะง่ายๆแค่นี้แหละลองไปทําดูนะไม่นั่นไม่ยากหรอกนะบางคนใช้เวลานิดเดียวเองบางคนใช้เวลาฉับพลันเลยนะคนไหนรู้ไหมฉับพลันเลยเยอะแยะเลยนะเช่นภาษารีบูดเป็นต้นนะอย่านึกนะว่าจะบอกคนยุคนี้นะไม่หลงกลหรอกนะ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 บางคนดูไกลก็ได้บางคนดูเวทนาก็ได้บางคนดูจิตก็ได้แต่พวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะั่คือการดูจิตไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะหลวงปู่ดุลเคยสอนไ เ, เมื่อปีสองพันห้ารอยยี่สิบหกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดุลย์อยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมานะบต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราไม่เชื่อนะมจะรุ่งเรืองนะมันน่าจะรุ่งริ่งมากกว่าไปไหนก็ไม่เห็นมีใครรู้จักดูจิตเลย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 ชีวิตของเราเนี่ยนะคิดทั้งวันจิตใจของเราก็เพิ่มขึ้ น, นกับเพิ่มลงทั้งวันรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันนะัแหว่งตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยถ้าอยากทํำวิปัสสนานะตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปแทรกแซงมันแค่นั้นแหละใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจร้ายตามรู้ไปเรื่อยถ้ารู้ไปแล้วจะเห็นความจริงที่น่าสยดสยองคือนางมารร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่นี่เองไปฝึกหน้าลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ละคนเนี่ยเลวสุดๆเลย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 รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่แทรกแซงมันอย่าไปจ้องไว้นะตอนเนี้ที่ผิดคือผิดกฎข้อที่หนึ่งคือไปจ้องเอาไว้ <c oughs> บังคับไว้ไปดักไม่ให้มันกิดดิบขึ้นมาไปดักเอาไว้ <c oughs> คนต่อไป <c oughs> ขอขอบพระคุณค่ะค่ะกับ ก, รรรการหลวงพ่อนะคะฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งไม่ทราบว่ารู้ไกายรู้ใจเนี่ยจะทํำยังไงอะคะก <c oughs> ็รู้อยู่แล้วละ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 ทำไมน ะ, จะเจริญสติแบบไหนถึงจะให้ความทุกข์มันน้อยลงจเจริญสติให้ถูกหลักมันก็ทูกน้อยลงนอยน่างกรู้จเจริญแบบไหนดีคะแบบรู้รูปแบบอ๋ อ, ร, ร, อรูปแบบเ ห, หรือทางด้านจิตตัวเน้นคือเป็นคนเป็นคนช่างคิดนะดูจิตไปเลยดูจิตไปเลยเออนะถึงแต่จุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็หัดเดินจงกรมบ้างเพิ่งเพิ่งไปเดินมาแต่ว่าไปมองตรงเท้าค่ะเอออย่างนั้นไม่ได้ไปเพ้งไหม เวลาเดินจงกรมนะั้แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเห็นร่างกายมันเดินไปนะค่อยๆรู้สึกค่ะเวลาเวลานั่งสมาธิแบบรูปแบบที่บ้านอาลีนะคะทีนี้มองเหมือนเห็นมือแต่ว่าไปคิดอย่างอื่นให้รู้ทนะันว่าจิตหลงไปคิดแล้วควรจะกลับมาที่ฝึกรูปแบบแล้วเป่าคะรูปแบบต้องทํานะแต่เวลาฝึกกรรมฐานในรูปแบบไม่ใช่ว่าต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบหรอก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 ที่เคยฝึกมาเป็นสมถะครับหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้ไม่เป็นและตอนนี้ไม่เป็นแล้วใช่ไหมครับนะตอนนี้จิตมันเตินตัญญาได้แล้วครับแล้วตอนนี้สมควรจะเดินทําอะไรต่อครับหลวงพ่อครับก็ดูจิตใจไปนะแล้วก็แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบบ้างครับใช้นั่งนั่งนั่งสมาธิได้นั่งได้นะแต่อย่านั่งให้เคลิ้มครับนั่งแล้วรู้สึกนั่งแล้วรู้สึกครับกลับขอบพระคุณนะครับ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 สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันเราสร้างเปลือกขึ้นมาให้ดูสวยดูงามอย่างเวลาเราจะคุยกับคนนี้เราก็ทําเปลือกแบบนี้คุยกับคนนี้เราก็ทําเปลือกอย่างนี้ขึ้นมาเราลอกหน้ากากตัวเองนะลองดูลอกไปเรื่อยๆลอกไปเรื่อยๆถึงสุดท้ายเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกค่ะพระอาารเจ้าค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์จ้าค่ะว่าการปฏิบัติของโยมเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะดูไปนะจิตมันไม่ตั้งมัน่นอย่างตอนนี้จิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเราเอง พยายามกลับมารู้สึกที่ความรู้สึกบ่อยๆนะใครมันจะได้กลับเข้ามาหาตัวเองที่ฝึกอยู่ใช่ได้ในนิสิตนักศึกษานิสิตเนาทถามธรรมสถารหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะอยากถามถึงการปฏิบัติของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงอะคะก็ดีนะพยาขยันดูนะแล้วก็ทํางานไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่ฝึกอยู่ใช่ได้คนใจมันตื่นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออมันตื่นแล้ว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 เวลาเจอความทุกข์ยังไม่ชอบอยู่ใช่อยากให้มันสุขเงี้ยให้รู้ทันเอา<ช>เอานิ<ช>สิต<ส>คนต่อไปกล่าวนำมัสกรารค่ะหลวงพ่อดังๆกล่าวน้ำมการค่ะ<ก>หลวงพ่อเออฟังฟังเสีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแป๊บหนึ่งอย่ไปเพ่งไว้เราอะเกรงไปหมดแล้วทำตัวสบายๆเดี๋ยวช็อกไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถามนะอ่ะ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 ถ้าตั้งใจนะคำว่าตั้งใจนะจริ ง, รงๆคือคำว่าโลภะ<ช>ไม่ใช่ตั้งใจหรอกโลภเนี่ยอยากให้มี <นะ S 2> ถ้าะอยากให้มีสติไม่เกิดหรอกเพราะว่าความอยากมันเกิดซะถ้าสติไม่เกิดเพราะเราจำไว้นะสติจะไม่เกิดล้อมกับกิเลสต้องเกิดคนละเวลาค่ะกลับขอบพระคุณค่ะเอานิสิตคนต่อไปกลับเขากับพระอาจารย์เจ้าค่ะคือชอบใจมากจริะอาจารย์บอกว่ายังมาร้ายจ้าค่ะเพราะว่าตัวเองมากเ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 ก็ไปดูกายดูใจของเราเลยนะการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกนะการปฏิบัติทำเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจแล้วเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยเห็นกายทางานเห็นใจทํางานมันแสดงไตรลักอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมที่ใส่แว่นน่าใจมันตื่นขึ้นมาเรารู้ทันใจมีปิติเรารู้ทั น, ใ จ, รรทนใจเป็นยังไง ร, รู้ไปเห็นไหมปิติที่เกิดตะกี้ดับไปแล้ว ทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้เองไม่ใช่ดูไปบังคับให้นิ่งตอนนี้บังคับมากไปแล้วกลับนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยมชื่ออชลวดีเป็นมิสิตสาวิกาสิขาไยค่ะโยมาเรียนสาวิกาสิขาไลก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมากับหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือโยมไปฟังหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็อยากถามว่าโยมปฏิบัติเป็นไงบ้างจ้าค่ะไช่ได้นะค่อยดูต่อนะ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 แค่รู้ว่าใจลอยจะฟุ้งมากเลยจ้ะนั่นแหละใจเราชอบฟุ้งอะหลวงพ่อถึงบอกว่าหายใจไปนะแล้วเวลามันใจลอยไปอย่าบังคับมันนะแค่รู้ว่ามันหนีไปงั้นไปฝึกหายใจไปเรื่อยๆแล้วเห็นใจหนีไปคิดแวบบหายใจอีกใจหนีไปคิดแวบบแต่ไม่บังคับนใะห้มันนิ่งจะดังนี้เธอะนะหลวงพ่อแก่แล้วปะก็ตื่นเต้นนะคะ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 เชินช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาคือใจได้เห็นความทุกข์ของกายและก็ของใจอย่างชัดเจนรวมทั้งได้เห็นความทุกข์ของการได้เกิดมาในวัฏฏะสงสารแล้ ว, ลวเป็นกลางไหมไปดูนะเห็นความทุกข์จริงแต่ไม่เป็นกลางไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปบถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยจะรู้ถูกถูกพอดีเลย ตอนนี้เราเห็นทุกเราเบื่อหน่ายเราเอื่อมลาเราไม่ชอบเราอยากพ้นไปนะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวเนี้ไปฝึกตัวนี้ขอกาดเจ้าค่ะขออนุญาตทมความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็ขอการบ้านเจ้าค่ะอย่า ก, กดไลยนะก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้ากว่าเก่าแล้วพยายามรู้สึกตัวไปได้ๆดีลูกสิกคุณแด่รอบนี้พอหนาดีขึ้นเยอะเลย ขยันภาวนาน่าได้ข่าวว่าคุณแม่เปิดห้องพระาธาตุ24ชั่วโมงอย่าให้พระาธาตุเหงานะไป <c oughs> นั่งภาวนาสบายเทวดาเขาก็นั่งด้วย <ขอ S 1> หมดย่างู <c oughs> ่ไหนขอโอกาสจ้ะ <c oughs> เอ้าหลวงพ่อต้องดูเราด้วยหูแล้ว <c oughs> เอาว่าไปอยากถามถึงความก้าวหน้าแล้วก็อยากได้กันบ้าง น, นะคะ ครรู้ทันนะใจมันแอบไปคิดใจมันฟุง้งซ่านคอรู้ว่ามันฟุ้งซ่าน ร, รู้สึกไหมมันช่างคิดมันจะหนีไปเรื่อยๆนะแล้วอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้ดูมันสบายๆไปตอนเนี้กดอยู่ทราบไหมอย่าไปกดสิบังบังคับไหมไม่ดีไปไล่อยมันเวื่อใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจใจคับแค้นรู้ว่าใจคับแค้นใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆ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 เมื่อไก่ขึ้นไหวก็รู้เจ้าค่ะคก็ดีสิก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะปฏิบัติใช้ได้นะแต่อย่าบังคับตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกมเ้าค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเจ้าค่ะตื่นเต้นไปกดอยู่เจ้าค่ะปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วตามดูเจ่ได้ใช่ได้หลุดออกมาล้เมื่อกี้ค่ะค่ะแล้วก็ลูกขอถามอีกคําถามหนึ่งเดี๋ยวหลวถามคนอื่นก่อใครใจลอยบ้างยกมือขึ้น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 <Okay. S 2> นะจะจริงหรือจะไม่จริงไม่สำคัญหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นตื้นไปได้ไปเราเอาสิ่งที่วิเศษเท่า น, นั้นอีกคือให้เกิดปัญญาเห็นเลยจิตมันคิดได้เองจิตมันรู้ได้เองจิตมันปรุงได้เองนะเอาตัวนี้นะให้เห็นมาขันห้ามันทำงานได้เองทำตรงนี้เราจะได้เป็นพระอริยะได้ไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมอดูไปครั บ, ร บ, ร บ, ร บ, ร บ, บการับศักดิ์การหลวงพ่อครับขอาการส่งการบ้านนะครับ โดยในชีวิตประจำวันนะครับจะเห็นส่วนให ญ, ญ่จะเห็นลงไปครับล ง, ลงไปลงไปคิดนะครับแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกนะไปดูเรื่อยๆดีละครับขอบคุณมากครับหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหลวงพ่อก็ลาละท่าน<ม>อาจารย์เจ้าขารู้สึกว่า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 ซึ่งก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจที่จะทำให้หลวงพ่อเองที่มาสัตหีบธรรมสถานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของพวกเราทุกคนเจค่ะในพรรษานี้เนี่ยพวกเราก็จะใช้หลักการที่ท่านอาจารย์ให้ไม่ใช่เป็นเฉพาะในพรรษาเท่านั้น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 มีเสียงแววมาเช้าค่ะ <c oughs> เสียงแววเพราะท่าอาจารย์ถามถึงแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้แต่โยมก็ใช้หลักการบุญญาภาคีว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะถวายปัจจัยต่อท่นอาจารย์ก็เปิดโอกาสอยู่และทุกอย่างก็จะตามไปอีกตามที่ทุกคนมีความตั้งใจนะเช่ค่ะคือขอขอโทษนะคือถวายหลวงพ่อได้นะแต่หลวงพ่อขอช่วยการของคุณแน่นะเราได้บุญไหลต่อเลย